นับมันและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาละเาขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราขอให้เขาและราขอให้เขาและเราขอให้เขาและเราอให้เขาแะเราขอให้เขาและอให้เขาและเหา วับิกَอัมไซนะวับิกะَัพยา ل ับิกะนามุตุไวไลคِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق ม بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َัُ ر ُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ ا ل ْ ع َ ل ِ ي م ม ร่ดิฎ ا, إ, إ, أ ل บิลอัลล ا ฮฺ د ับบ์วบิอ ب สลามดีนวบ ل ا ุ ر ัม م ัดรัส ا ل ัล م อฮฺมะอิ س ีอาอุ ب ิกะวบิอั ل คาสลิวบิอัลคิบริรับบ์อาอุบิกะวบิอัลกาดับบ์ฟินนาร์วบิอ พี่น้องที่ร่วมนมาฎเมาะในเวลาสุบ์ที่รักทั้งหลายครับบริฮัมดุ ล, ลิลลเราต้องชุกรต่ออัลลุบฮานฮูวตาลชกรต่ออัลลอ์ก็คือนึกถึงคาสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอ์สั่งอัลล์สั่งพานบีมุฮัมมัดว่าหลังจากนมาสุบ์เสร็จแล้วเนี่ยห้ามนอนผูนคนที่นึกถึงคาสั่ง เราก็จะไม่ฝา่าฝืนจะไม่ฝา่าฝืนคำสั่งนอกจากคนป่วยทีนี้จะหาไม่ให้นอนแล้วทำอะไรถ้าไม่นอนก็เนียนั่งอ่านกูรานนี่แหละนะวันหนึ่งหาอายะหกอายะแล้วตามด้วยบทตัวอาร์ที่ผมนำเสนอในตอนตอน้ตนๆเช่นอะไรบ้างอัลลอฮุมะอินนีอัอุซูบิกามินัลกละตรงนี้แปลว่าโอ้อัลลอ ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจดีั้มไม่ดีวาซูอิลกิบารีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากคนที่มีอายุแล้วหลงหลงลืมลืมเรียกภาษาทันสมัยหน่อยก็เป็นอัลไซเมอร์าวเอินพูดทันสมัยดีฮะแต่โรคหลงหลงลืมลืมไม่ดีเราจะใช้ภาษาอะไรก็เหมือนกัน ภาษาเราว่าสู้สู้ก็ ว, ว่าเร็วคุ้มหมดเลยครูจาไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นต้นนะครับว่าอาุเบกะท่าขอความคุคม้มครองจากอัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากการลงโทษที่นรกว่าอาุเบกะขอความคุคม้มครองจากอัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากการลงโทษที่สุสานที่สุสานนะหนักนะคุณน้อง ถูกลงโทษบนดุนยานี้ยังมีคนช่วยปลอบอกปลอบใจถ้าถูกลงโทษในกุโบเนี่ยใครจะช่วย อ, อ, อัลลอฮฺอัลกุนั่นนึกตัวเยอ ะ, ะนั่นลูกลูกช่วยได้ลูกต้องนามานห้าเวลานะเราขอดวอาเยอะพ่อนอนอยู่ในกุโบแม่นอนอยู่ในกุโบเราไม่รู้ว่าถูกลงโทษแค่ไหนเราไม่รู้ แต่พออ่านจากฮัดีิสี้รู้เลยว่าคนที่ถูกลงโทษในกุโบมีทั้งหมด11รายการนะครับคนที่ขี้เกียจนามา ถ, ถูกแน่แน่นามาไม่ครบเนี่ยถูกแต่คนที่เยี่ยวฉีปัสสาวะแล้วก็ล้างไม่สะอาดถูกแน่ๆนแล้วคนที่มีมีปากไม่รักษาปากชอบนินทาว่าคนนั้นตําหนิคนนี้ ไม่เคยตำหนิตัวเองเลยตำหนิคนอื่นถูกแน่ๆเราไม่รู้ว่าถูกช่วงไหนแต่อ่านจากัลกุรอานอายาหนึ่งว่าฟาโรนี่ถูกลงโทษวันหนึ่งสองครั้งพอตะวันขึ้นทีหนึ่งถูกทีหนึ่งตะวันตกดินทีหนึ่งถูกทีหนึ่งไม่มีคนช่วยพยาคงไม่ช่วยเพราะจะเอาหินทุ่มพยาตอนใกล้จะตายแลวอัลลอ์ก็ พญาขอร้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันอยู่ใกล้ๆท่านในสวนสวรรค์อัลลอฮ์รับดวอาเลยอืมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาหาศาสนาของอัลลอฮ์แล้วนะเพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเจ้าของศาสนาคืออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นคู่นำเอาหลักการที่อัลลอฮ์พอใจมาสอนเราก็ทําตามท่านนบีสอนนะครับ ขอบคุณอัลล์นะครับที่เราได้นั่งทบทวนคุณอ่านมาเนี่ยปีนี้ปีที่ทลายกบพยีเฉลิมเราหมดปีที่ย0สิบคนที่มานั่งฟังตรรซีนอัลลอ์เรียกกบบยีละคนสองคนอัลฮัมดุลิลลาตายดีหมดขอให้อัลลอ์รับความดีที่เราทำก่อนตายนะครับปีที่ยี่สิบได้ยี่สซูร้อเองนะเนี่ยสรุนแล้วปีละซูร้อ ขอบคุณนบีละวันนี้เรามาถึงอยายะที่91อยายะที่90เนี่ยคืออธิบายอย่างนี้ขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องประวัติของนบีมูซาอะลัยฮิสสาามวันที่นบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาตูดนะไปรับวหฮีเตารออ่าไปรับคำพีอนนะไรนะคำพีเตารอนะ่ะขึ้นไปนานกี่วันนะ 40วันระหว่างที่ไปอยู่บนภูเขาส0สิบวันรอรับวะฮีเนี่ยข้างล่างเนี่ยพวกบันิอิสรอีนเนี่ยสร้างความเสียหายอาวัยวข้อที่หนึ่งพวกบันิอิสรอีนนำโดยฮารูนนะครับนบีฮารูนเนี่ยเป็นคนดีมากเลยพี่น้องนำโดยซาเมรี่ที่เอาเครื่องประดับ ที่เขายืมมาจากกลุ่มฟาโรและฟาโรน่ะตายหมดแล้วจมน้ําทะเลตายหมดเนี่ยเครื่องประดับอยู่ที่พวกบานิอิสโลอีนเขายืมมาและยังไม่ได้คืนทุกคนมีความรู้พราับบีมูซาสอนเขายืมของใครมานจะต้องส่งคืนเราคอยืมขวานเขามาก็ต้องส่งขวานคืนถ้าไม่คืนเนี่ยมันเป็นพาราคาเรวเอาซารัน ในกุรอานอนย่าที่ผ่านมามีเอาซาดฉันแบกภาระแต่นมาแบกภาระหนักๆนาทุกคนก็กลัวหมดจะต้องถูกเอาล่อลองโทษในวันเกียมะซามิรี่เนี่ยคนเดินชื่อมูซาซามิรี่เนี่ยครั้งที่แล้วบอกว่าใครเลี้ยงนะอิบรีนลงมาเลี้ยงซามิรี่เพราะว่ามะของซามมรีเนี่ยรุ่นเดียวกับนบีมูซาเนี่ย ทเบมูซาเนี่ยใคเลี้ยงนะฟาโรเลี้ยงส่วนซามิรีเนะี่ยชื่อเดิมชื่อมูซาเหมือนกันแต่บินซาฟัร์ราฟัรมูซาบินซาฟรัรอิบรีเลี้ยงจะยินลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยลงมาเอาอาหารมาให้วันละสองสามมือทุกวันเลยทีนี้อิบรีเลี้ยงเนี่ยต่อมาซามิรีคนเนี้ยเป็นกาเฟส่วนฟาโรเลี้ยงคนเลวเลี้ยง เลียงมูสามูสาเป็นรสูนของอัลลอฮ์น่าคิดมากเลยนะ <c oughs> แต่ที่สามเรอีเนี่ยอัลลอ์มีอะไรหลายหลายอย่างก็บอกว่าวิธีที่จะปลดบาปที่เอาเครื่องประดับของพวกบริอของพวกฟาโรมาเนี่ยมีอยู่ทางเดียวปลดออกซะปลดออกไปจากตักตัวเอามากองกองกองกองไว้แล้วก็หลอม แนะนำเองนะคิดดีทุกคนก็เชื่อหมดอูแล้วเอาๆๆๆเอาาเอาหลอมหลอมหลอพอหลอมเสร็จแล้วก็หลอมเป็นรูปลูกวัวแล้วก็ซาซาเมรี่ก็ก็หลอมด้วยนะครับทีนี้พอเวลาหลอมลูกวัวปั๊บนี้นะบางคนก็กราบลูกวัวเป็นพระเจ้าแบ่งออกเป็นสามกลุ่มพอสร้างลูกวัวเสร็จแล้วนี่นะ พวกบันีอิสราเอลเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเหมือนกับวันนี้ใครนําเรื่องอะไรใหม่ๆมาเนี่ยจะแบ่งคนนี่นะออกเป็นสามกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มแรกก็คือเชื่อว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์องเดียวฉันจะไม่หันเหไปเคารพบูชาลูกวัวเด็ดขาดนี่กลุ่มที่หนึ่งอยู่กับนบีฮารูน กลุ่มนี้มีประมาณเท่าไหมื่นสองพันคนมาเป็นแสนแต่คนที่ยืนหยัดในอัลลอฮฺและรอซูลเท่าไรมีอยู่1มื่นสองพันคนและที่เหลือเนี่ยแบบ่งออกเป็นสองกลุ่มแต่ผิดทั้งคู่อีกสองกลุ่มเนี่ผิดทั้งคู่เป็นคนเลวแล้วง่ายๆกลุ่มที่หนึ่งเลวน้อยหน่อยพูดว่าอย่างงี้ฉันจะคารมบูชารูปลูปกวัวเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รอดูว่าพะมูซากลับมา ถ้าเขาห้ามเราก็จะเลิกระหว่างนี้ขอบูชารูปลูกวัวไปก่อนถามว่าผิดหรือถูกผิดตระการบูชาท่ายไงลูกวัวกลุ่มที่สามฉันจะยืนหยัดจะกราบลูกวัวต่อไปจนกว่าจะตายนบีมูซามาหรือไม่มาฉันไม่แคร์เข้าใจนะบอออกไปที่กลุ่มนะสามกลุ่มกลุ่มแรกเนียยืนยัน ฉันจะเชื่อนบีมูซานาบีฮารูนเพราะนบีฮารูนนะฮะยายายา ย, ายาไม่มีใครเชื่อเลยฉานม่ได้นำมนันี่มากรับมากรับมากรับมบต่เรื่องว่าคนที่ยืนยันกับฮารูนมีประมาณเท่าไนะหมื่นสองพันคนที่ยืนหยันกับอัลลอฮฺและละซุนกลุ่มที่สองเนี่ยเลวกลุ่มที่สามเนี่ยเลวแต่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเลวน้อยน้อยก็คือว่าฉันจะกรับรูปลูกวัวไปเรื่อยๆจนกว่านาบีมูซาจะกลับมาจากภูเขา ท่านว่ากัก็ว่าว่าตามท่านกลุ่มที่สามเนี่ยหนักเลยจะกลับหรือไม่กลับฉันขอยืนยันกลับรูกรัวโจมกว่าฉันจะตายเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันเวลาใครมีของแปลกแปกมาเล่าปั๊บเนี่ยจะแบ่งคนออกไปสามกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าไม่จริงอีกคนว่าฉันรอไปก่อนเดี๋ยวจะมีใครมาตัดสินอีกคนฉันจะยืนยันว่าอันนี้จริงแน่ๆเลยอันนี้เป็นต้นวันนี้ก็เหมือนกันสรุปแล้วอัลลอฮฺกุรอานเนี่ยเล่ากับพีกุรอาน แบ่งมนุษย์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาเจออญญายะที่91วันนี้อญญายะที่91ในตองการที่อธิบายสามคนสามกลุ่มนี่แหละอญญายะที่91นอธิบายคนสามกลุ่มแต่เล่ากลุ่มที่ฉันจะไหว้กราบไหว้รูปเจ้าเวทที่เป็นรูปลูกวัวไปก่อนจนกว่านบีมูซาจะกลับมาอญญายะนี้ "قالوا لن نبرح عليه ف ي ن พวกเขากล่าวว่ากบพวกที่เชื่อซามิรีนี่แหละนะกล่าวว่าไงนะเราจะไม่เลิกเราจะไม่เลิกเป็นผู้อากีฟีนอากีฟีนแปลว่า ยึดมั่นบูชารูปลูกวัวนะครับเราจะไม่เลิกเป็นผู้ยึดมั่นบูชารูปลูกวัวนี่กลุเราจะไม่เลิกป็นกลุ่มทีั่นบูาฉันจาจะกยึดมันบูชารูปลูกวัวกลุรมที่เเนูยึดมันาปลกวัวนไม่เิกเมารลูันไม่เกมบารูปลูกวัวนเรไม่ลก็ดับารูปลูกวัวาจะไม่เ้มั่นบูชาันไม่ก้ ภุมมที่สองนี่ไงฉันจะกราบรูปลูกวัวถามว่าผิดหรือไม่ผิดผิดแต่ผิดยังดีก็นะฮัตตายรจายไลนามูซาฮัตตายรจายไลนามูซาจนกว่ามูซาจะกลับมาอย่างพวกเราเราขอกราบไปเรื่อยๆขณะนี้มันว่างงานอยู่ มูซาก็ไปอยู่บนภูเขาแต่ไหมลืมคําสั่งของนบีมูซาแล้วตัวแทนของนบีมูซาก็คือฮารูนคอยห้ามอยู่แต่ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมเห็นยังนี่กลุ่มที่สองนะฉันจะขอกาปรูปลูกวัวไปก่อนเรื่อยๆจนกว่ามูซาจะกลับมาถาว่ารอมูซากลับมาแล้วทาบาปไปเรื่อยๆเนี่ยถูกหรือผิดผิด ผิษย่างแหวเบอร์ยังงี้เป็นต้นคําอธิบายบางตับซินอธิบายมาว่าพวกเบเนอิสรอีนเนี่ยกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อคําเตือนของนบีฮารูนแถมยังหลงและชอบเคยพูดว่าเราจะไม่เลิกโดยพูดว่าเราจะไม่เลิกเป็นผู้ยึดมั่นบูชารูปลูกวัวหลอกจนกว่านาบีมูซาจะเดินทางกลับมาจากภูเขาซีนาย นี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มทำบาปกลุ่มนี้สแสดงว่าบาปไหมบาปผิดเครียดทำไรนะช้าชีริกอ่าแสดงว่าชีริกเนี่ยนะมันมาง่ายมากเลยนะมาง่ายมากเลยนะครับตับเซตบางเล่มอธิบายบอกว่าหรืออาจจะหมายความว่ารอให้นบีมูซากลับมาแล้วคอยดูกันต่อไปว่ามูซาจะว่ายังไง พวกกับพวกนี้กลุ่มเนี้มีความหวังว่าเมื่อมูซากลับมาจากภูเขาแล้วเมื่อเห็นว่าการกราบไหว้บูชานี่นะคิดว่ามูซาจะต้องปล่อยให้เรากราบไปเรื่อยๆในกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่ม น, มนี้คิดว่ามูซามาเห็นเรากราบลูวัวนะคงไม่ว่าอะไรหรอกฉันเรากาบไปก่อนเดี๋ยวมูซามาก็คงสนับสนุนเราแต่อีกกลุ่มหนึ่งพูดว่างไงใช่ไหมเนี่ยถูกทางแล้วมูซาเมื่ลืม มันไปหาพระเจ้าของมันบนภูเขานะ่ะนี่พระเจ้ามันอยู่ตรงนี้มูซาลืมที่อ่านพระคัมภีร์ที่แล้วใช่ไหว่านาซียะอ่มูซาลืมเราขึ้นไปหาพระเจ้าบนนะัที่ภูเขาไปรอรับคํำพงคำปริไปทําไมพระเจ้าอยู่ตรงนี้ใครพูดนะซาเวรีพูดใช่ไหมนี่แสดงเห็นว่าคนนั้นนอยู่ในทางหลงมากกว่าอยู่ในทางที่ถูกต้องวันนี้ก็เหมือนกัน คนที่เดินอยู่หน้าดุลยาที่เป็นมุสลิมนี่แหละสังเกตนะมุสลิมที่ยึดสุนนะมุสลิมที่เอาปูยญาติญายด้วยเอานาบีด้วยปนๆกันอีกคนหนึ่งเฮ้ยไม่เอาเอาปูยญาติญย า, ยายเป็นที่ตั้งอ่ามีไหมพวกเราก็มีอย่างนี้เลยใครใครกันท่านคนที่อ่านกูอานละชัยปัญญาดีนึ่เอ้ยเอาไงวะเนี่ยเนี่ยยึดตามแบบที่นบีมูซาสอนที่อัลลอฮ์สอนยึดอัลลอฮ์ให้มัน่น อีกกลุ่มหนึ่งไปไปมามาแตว่าเอาหรือไม่เอาอีกกลุ่มหนึ่งกเอาแบบเก่าๆว่าดีที่สุดแล้วที่ต่อยอดทามาน่นอะยังบางคนยังยังไม่เลิกเลยนะโกนซูโ ก, โกวันอาชชรอยังไม่เลิกใช่ไหมยังยืนหยติอยู่นะทำอยู่ลีเลาก็ให้เราเห็นนะนะอันนี้เป็นกุอ่านเตือนเรื่องประวัติของนบีมูซาอะัยฮิสลา กอลุลันบรหาเลยอากิฟินเขากล่าวว่าเราจะไม่เลิกเป็นผู้ยึดมั่นบูชารูปลูกวัวฮัตยารยอาไลนาโมาจนกว่ามมสาจะกลับมายัางพวกเราแล้วก็ดูต่อไปว่ามมสาจะปฏิเสธหรือห้าม คิดว่าคงไม่ห้ามมากกว่านี่คิดเอาเองจากตตาเซตอธิบายอย่างนี้นะครับเอาต่อมาครับอายาที่เก้าสิบสองถามว่ามูซาเห็นมาเห็นพวกบูชารูปลูกวนดีใจหรือว่าโกรธโกรธเลยนะทีโกรธมาลนะทำไงครับกลายฮารู มาไม่เงากะอิสรไอยต์หุมดัลลูกเลยาฮารุนมาไเงากอิสรไอตหุมดัลลูอโลนะทำเดี๋ยวถ้ a อ่านคุณอ่านเข้าใจภาษา a ะนะเข้าใจง่ายเนี่ยกา a ลยาารุน เมื่อโมูสสได้กลับมาจากภูเขานะครั บ, บก็ไม่เห็นนี่ละพวกพักพวกบนิอิสรอินข้ามน้าข้ามทะเลมาลาบากมาด้วยกันอ้าวกลับไปบูชารูปจเจวตอีกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบูชาฟาโรช่ไหมไม่ใช่ก่อนข้ามทะเลมาเนี่ยบูชาฟาโรเป็นพระเจ้าพอผ่านท้นวิกฤตมาแค่4ี่สิบวันเนี่ย กาบลูกวัวอีกแล้วพอมากลับมาปับ๊บใครเป็นลูกน้องนบีมูซาฮารูนนะครับเป็นผู้ช่วยนบีมูซาเป็นพี่ชายนาบีมูซาพูดกับฮารูนว่าไงนะก็ยาหฮารูน อ, อัอลลอลลอฮฺเล่าหมดเลยนะฮารูนเอ๋ยมันจะพูดกับใครก็พูดตัวแทนน่ยอย่างไรละฮารูนเอ๋ยมามานาอักะ เพราะเหตุใดหรืออันใดได้ยับยั้งท่านไม่ให้ห้ามปรามพวกเขาทําไมคุณไม่ยับยั้งเขาทําไมไม่ห้ามเขามาณ า, าอากะทําไมคุณไม่ยับยัง้งครับมันเหตุมีเหตุอะไรหรือที่คุณไม่ห้ามเขานี่พูดกับใครนะพูดกับเลขาตัวเองน บ, บีมูซาพูดกับฮารูนมาฮูรุนเห็นเนี่ยปล่อยให้ญาติพี่น้องระบูชาลูกวัวทาไมทําไมคุณไม่ห้ามเขา อิสราอิต้าฮุมเมื่อท่านรออาแปลว่าเห็นเมื่อท่านเห็นเขาเหล่านั้นดอลรูพวกเขาหลงผิดตล า, ลตล า, ลตลาลแล้วตลาดอลลาแปลว่าหลงผิดทำไมพารูยึงไม่ห้ามเมื่อท่านเห็นพวกเขาเนี่ยทำผิดหลงผิดไปบูชารูปเจวิตทำไม่ทำไมคุณไม่ห้ามเห็นอย่างครับแสดง ว, ว่าการกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นเป็นบาปใหญ่ ด บ, บีมูซาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเพราะอาลัลลอฮ์ส่งคนมาส่งด บ, บีมูซามาสอนเรื่องตาไอ้นี่แหละสอนว่าต้องรู้จกักอัลลอฮ์นะยิดอลัลลอฮ์องคเดียวนะมอบหมายตนต่ออลัลลอฮ์องเดียวนะอบดุขอเล่านะประวัติในอดีตเนี่ยคนที่มีอิสลามนี่นะขณะเขาเขาจะตายเขายังไม่ยอมทิ้งอลัลลอฮ์เลยนะอามีใครบ้างท่านสายบินจูเบรคนนี้เป็นนักฮะดีษนะเดี๋ยวจะเจอหะดีษนะ อันซอิดบินบินบินจเบะดีษคนนี้นำมาจากแต่ท่านนาบีคือสืบสืสืมาไปถึงนบีท่านซอิดบินจูเบเนี่ยเป็นนักหะดีษด้วยนักตัซีดด้วยเป็นฟูกอฮาฟิกก์ด้วยท่านฮัาดเนี่ยเกลียดฮัาที่เป็นคอลฟะสมัยเดียวกันกับสมัยท่านซาอดบินจุเบลฮัานเนี่ยไม่ชอบซอดเนี่ยชอบเตือนฮัจาท่านทำผิด เรียนมายให้ทําอย่างนี้ฮัจยานไม่อยากได้ยินคำเตือนเตือนเตือนไม่ชอบและฮัจยานนี่เป็นคนเก่งนะเป็นคอรีฟ้าด้วยอ่านกุตบ้านได้ด้วยเป็นอิมามได้ด้วยยืนพูดได้ด้วยเก่งหมดแต่ว่าใจาโหดข่าสั่งข่าท่านสายบินยูเบรดโดยส่งทหารเนี่ยไปเชิญตัวมาจากบ้านนี่ขอขอน่าเล่านิดเดียวแลวนะเมื่อทหารไปเคาะประตูบ้านสายบินยูเบรด ท่านสียตัวออกมาเห็นหน้าทหารเนี่ยรู้แล้วว่าฉันถูกฆ่าพอเห็นหน้าพระท ว, วายอย่างนี้ข้าศึกนั่ลอวันเนี่ามาลุยกีฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอะ์เป็นที่พอเพียงแล้วและการมอบหมายที่ดีที่สุดก็คือมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะว่าอย่างนี้เขบอกไ่้ฉันมาเนี่ยฮัจยัดส่งฉันมามาเชิญตัวท่านท่านเข้าใจเลยว่าถูกฆ่าขอเวลาหน่อย ทำสี่เรื่องรู้ไหมอะไรไหมขอเวลาเนี่ยหนึ่งเข้าไปอาบน้ําเลยอาบน้ําเป็นอาบน้ำครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ยใส่เสื้อผ้าชุดนี้เป็นชุดกะฝันใจนึกเลยนะในชุดกะฝันแล้วก็ใส่น้ําหอมแล้วอาบน้ํำนามาศเสร็จแล้วไปนามาศสองเราก้อัดแล้วขอดูอาต่อเลยระวังที่ถูกจับมาเดินมาเนี่ยว่ายังไงรู้ไหม ลาฮาละวลากูวาตอิลลับิลแปลว่าไม่มีอำนาจใดที่จะให้สูงส่งแล้วก็ตกตำ่ำนอกจากอัลลอฮ์องเดียวระหว่างที่ถูกพาตัวมาอ่นอุอาบนี่แหละลาฮาละวลากูวาตอิลลับิลขอให้คนที่ทำลายอิสลามหรือทำลายคนมุสลิมนั่นพินาศท่านขอมาตลอดเลยพอมาเห็นหน้าท่านทันยัท่านจจ ก, ก็สั่งเลยประหารชีวิตแล้วก็ตอน เพราะทหารไปแล้วฆ่าไปแล้วเนี่ยต่อมาท่านฮัดยาดเนี่ยอัลลอฮ์รับดูอาร์มท่านสายนะ่ะตอนจะตายประมาณหนึ่งเดือนท่านท่านฮัดยาดเนี่ยเบนยูซุฟเนี่ยเป็นคอลิฟายในพี่น้องอัท่านขึ้นนะฝีขึ้นตลอดทั้งตัวเลยเน่ยแล้วก็ร่องประมาณหนึ่งเดือนโว้ยโว้ยนอนกินไม่ได้ดื่มไม่ได้หลับตาไม่ได้พอหลับตาเนะ่ยเห็นหน้าใครใช่ไหม เห็นหน้าสายดินจุเบตฉันจะไปตอบปัญหากับอัลลอฮ์อย่างไงหลับตาไม่ได้เห็นหน้าสายเลยอะ่ะประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็พอหลับตาเห็นสองภาพภาพหนึ่งเห็นหน้าสายพะสั่งฆ่าไว้ภาพที่สองเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในบอ่อที่เต็มไปด้วยเลือดโววายกัวร้องให้ฉันจะเป็นยังไงเมื่อฉันตายไปหาอัลลอฮ์เพราะฉันสั่งฆ่าคนดีๆเอาไว้ นี่ไงอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยก่อนตาที่เป็นมุสลิมนะเป็นคอลิฟา่าด้วยนะอ่านคุตูบาดด้วยนะเป็นอิมามสุบด้วยนะยืนเลคเชอร์ด้วยนะร้องอัลกบะต์แต่ใจเหี้ยมไปทําลายคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีอีมิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูวอาตาลาแต่ท่านใส่กลัวไหมไม่ได้กลัวทีเดียหนึ่งนึกถึงอัลลอฮ์ขอฝากนะเวลาเราี่จะถูกจับไปฆ่านเนี่ยไปน้องขอให้นึกนะนะ การฆ้านี่เป็นฆ่าฆ่าสุทาให้ทะไรบ้างให้อาบน้ําสอมให้ใส่เสื้อเป็นชุดอะไรชุดกะฟันและอาบน้นํา น, น้ำมาใส่เครื่องหอมน้ำมาสอนเราสะอาดแล้วขออนุญาตองลออัลลอฮฺจะให้เราอยู่ในสวรรค์บทอิชออัลลอฮฺนะครับอ า, อาทีนี้ท่านนาบีมูซามาเห็นฮารูนและถามว่ายะฮารูนฮารูนเอ๋ยม า, มามาน้าแกะ อันใดได้ยับยั้งท่านไม่ให้ห้ามปรามพวกเขาเหล่านั้นอีกรอไอตหุมเมื่อท่านได้เห็นพวกเขาดลลูหลมผิดฉะนั้นเวลาเห็นอะไรคนทำผิดทำงไงให้เตือนอืมเอาคนที่เตือนง่ายที่สุดใครลูกเราก่อนอภรรยาเราก่อน บางคนเนี่ยเตือนคนอื่นไม่ได้แล้วเองมาพูดมากบันเองยังแก้ไม่ได้ถูกด่ามีไหมมีฉะนั้นเตือนตัวเราเองก่อนแล้วก็ตือนภรรยาเตือนลูกของเราถ้ามีความสามารถเหนือกันนั่นก็เตือนญาติพี่น้องเราเนี่เมาสไมไมว่ะเนี่ยเลิกกันแล้วลิมบีมันต่อยปากไนงะเองมาพูดมากเลยฉะนั้นอาการเตือนสมัยนี้ก็ต้องมองกันมองซ้ายมองขวาและหาที่หลีกให้ดีด้วยนี่ แต่อาการเตือนดีไหมดีทั้งหมดนะครับออะต่อมาอายาที่93อัลลอตตบอานีอฟอัตอัมรีอัลลอตตบอานีอฟอัตอัมรีนี่เป็นคำถามหมดเลยนะอายาแรกก็เป็นคำถามทำไมเราเห็นญาติพี่น้องหลงทำไมไม่ห้าม อยายะนี้93ก็ถามอีกอัลลาตัตตบิอานีทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันรู้ป่ะนบีมูซาเขาสั่งอะไรไว้อะสั่งกับฮารูนเอาไว้นะ่ะสั่งอย่างงี้เมื่อเห็นใครทำผิดเนี่ยให้รีบจัดการเลยถ้าเห็นใครทำผิดจะทำไงนะให้รีบจัดการปราบปรามเลย อาฟาอัลอ ย, ยตออัมรีท่านฝาฝืนคำสั่งของฉันใช่ั้ยฉันสั่งแล้วนะถ้าอยู่คุมญาติพี่น้องเนี่ยจะหาใครทำผิดให้จัดการเลยทีนี้ไอ้คำ ว, ว่ามันมีอยู่สองมันมีอยู่สองสองสองสอ ง, สอ ง, สอ ง, สงความหมายความหมายหนึ่งก็คือให้ปรามข้อที่สองหรือไม่ ก, ก็ไปหาฉันเลยฉันอยูอยอย่บนภูเขาเนี่ยคุณนะนะ ต้องเข้าไปหาฉันไปรายงานให้ฉันไปเล่าให้ฉันฟังว่าญาติพี่น้องของเราขณะนี้ทําอะไรอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งปาล์มประเด็นที่สองขึ้นไปฟ้องฉันไปบอกฉันที่เขจัดการเองทีนี้ท่านฮารูเนี่ยก็คนมีาศาสนาเหมือนกันท่านมองว่าท่านในช่ยความรุ่งแรงเกินไปอ่านี่ก็มองกันในะอิสติฮะจะคิดเองใช่ไหม ข้อทดทัดท่านปรางค์ภาพเนี่ยเอาละแต่หากว่าฉันขึ้นไปหาท่านเนี่ยฉันอาจจะถูกตําหนิก็ได้ท่านเคยถูกตําหนิจากอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านตอนข้ามทะเลมาแล้วแล้วขึ้นไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตำหนิว่าคุณรีบมาทําไมแล้วมูซ่าโบฉันรีบมาต้องการให้ อ, อัลลอฮ์พึงพอใจแล้วอัลลอฮ์ถามว่าแล้วคุณทิ้งพวกทําไมเอาตัวรอดคนเดียวทําไม นบีฮารูนก็กลัวว่าจะถูกตำหนิจากท่านอย่างนี้เหมือนกันชันแล้วอยู่กับพวกนี้แล้วก็รอจนกว่าท่านจะกลับมาไอการรอนี่นบีมูซาไม่พอใจนบีมูซาเป็นคนที่เฮียมแบบนบีก็ไม่ใช่แบบใครนะแบบอ่าสว่านนบีท่านไซซาอุมัดเนี่ยเฮียมจัดขาดเลยท่านอบูบักใจไม่เฮียมท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่ประนีประนอม การปณิพนอมนี่ก็เป็นสุนทรคนนบีเหมือนกันนะดีก็ทะเลาะ ก, กันแตกหักไปเลยใช่ไหมล่ะส่วนนบีมูซ่าใช้ความเด็ดขาดแบบใครนะไซนาอุมัดใช้ความเต็มขัดตามตบเลยครั้งเดียวมันจบใช่ไหมะฉะนั้นคนดีกันทั้งสองปณีิพนอมก็ดีเด็ดขาดก็ดีจะ ต, ต้องดูจังหวะเหมือนกันว่าควรจะทําในช่วงไหนลงนี้สองอย่างนะเห็นคนทําผิดรอไปก่อนนิดหนึ่งถ้าค่อยพูดค่อยๆจะ อีกคนเด่กใช้ความเด็กขาดพรามเลยตูมๆๆไม่มันจบมันก็ได้แบบปฏิวัติเลยคงเดียวมันก็ได้ทั้งสองก็ดูว่าอันไหนที่จะเหมาะสมกันนะอัลลอฮัตบียรนีอาฟาฟ้อยตอัมรีนี่น บ, บีมูซาตําหนิน บ, บีฮารูนทําไมคุณไม่จัดการทําไมคุณไม่ไปขึ้นไปหาฉันใช่ไหมคุณฝา่าฝืนคำสั่งของฉันก่อนนั้นหรือนะครับ ทีนี้พอได้ยินนบีมูซาพูดแรงๆกับฮารูนฮารูนก็ต้องการที่ให้นบีมูซาเนี่ยอ่อนอ่เห็นนี่มารยาท ด, ดีๆมากนะถ้าว่าใครแข็งมาเราก็ต้องพยายามพูดใจยังไงให้มันอ่อนๆลงหน่อยคนฟังนี่ก็ต้องฉลาดดูกุรันก็เลยะบนาอุมะ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق تبين بني إسرائيل ولا ترقب قولي อัลฮัมดุลิลลาฮซุรร้อนเนี้อาย่านี้ดีมากเลยนะกอลายาบนาอุมม์นี่วิภัสส์ที่ใช้เนี่ยเพื่อลดความแรงให้มาเบาๆหน่อยภาษาสำคัญครับ น, นี่อัลลอฮฺสอนกอลายา บ, บนาอุมม์ฮารูนกอลามาถึงฮารูนพูดว่าลูกของแม่ของฉันเอ๋ย ชายภาษาดีนะลูกของแม่ของฉันเอ๋ยหรือพูดง่ายๆก็แปลน้องชายเอ๋ยอาฮารุนพูดไอ้น้องเอ๋ยน้องน้องน้องน้องฉันามาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้นี่ภาษาทําให้มันเบาลงทําให้เย็นลงนี่เราเอาไปใชไ้ได้ไหมได้เลยกอเรยยบนาอุมมาลูกของแม่ของฉันเอ๋ยคือน้องของฉันเอ๋ย ลาตะคุสบิเลฮียตีล้เบีมูซาคงจะโกรธแรงนะคงจะจับผมดึงเขราแน่เลยงานเนี่ยนะท่านว่าไงนะจงอย่าขยุมเขราของฉันจงอย่าขยุมเขาาของฉันนี่ภาษาเพาะนาพูดเล่นเบาๆหน่อยสิอยเอาล่ะเนี่ยคงจะหจับหัวจับเขรากระชากมากกว่าเนี่ย นบีไม่เบาเหมือนกันนะแต่ว่าแข็งแรงนะ่ะควาโมซาเน่ะฆ่าแล้วต่อยเล่นๆตายจริงอ่ะคิดดูสิทำามจะไม่ใหญ่คงจะแข็งแรงดูเลยนะจับมาต่อยพว้ฟาโรต่อยเล่นๆตายจริงอ่ะเลยต้องหนีไปอยู่ประเทศอะไรนะประเทศเมืองมัธย์ยา น, นอีกตั้งสิบปีนะก่อนจะกลับมาทํางานศาสนาเอาละบอกว่า มูซาเอ๋ยลาตาคุสบิเลฮียติจงอย่าขยุ่มคราวของฉันนี่ไงลียยะแปลว่าคราวแปลว่าเรียดนี่ไงไ ม, คม่คำพีอักุรอานอธิบายเรื่องคราวเอาไว้ตรงนี้แหละทางทั้งทางงว่านบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้มีคราวไหมมีขราวทุกคนน่าถ้งนั้นอัลลอฮ์ไม่เล่ารอกทางท่นมูซาเนี่ยเขาจะจับคราวฮารูนมากกว่า น, นกชากลงมาเนี่ย ท่านเลยพูดปไปแ ah um ค่ลาตาคุสเบลิฮยตีอย่าขยุมค่าวของฉันแล้วก็วาลาบิรศีและศีสะของฉันหมายถึงผมอย่าขยิมอย่าขยุมผมของฉันอย่ากระชากข่าวของฉันอล๋อคงจะเล่นแรงเลยนะแต่ว่าพูดดีนะพูดดีพูดเบาเพื่อให้อะไรนะความหนักก็กลับมาเป็นเบา เาฮารุนว่าไงนะลูกของแม่ของฉันเอ๋ยคือน้องเอ๋ยจงอย่าขยุ่มข่าวของฉันและผมที่ศรีรษะของฉันอินนีคอชีตูอันตะกูลแท้จริงฉันกลัวคอชีตูแปลว่าฉันกลัวฉันกลัวว่าไงอันตะกูแลท่านจะกล่าวแก่ฉันว่าคือถ้าหากว่าฉันเนี่ยขึ้นไปตามท่าน คือท่านฉัน น, นี่แปราบปรามญาติพี่น้องของเราที่บูชารูปลูกวัวเนี่ยฉันตามที่ท่านคิดเนี่ยนะถ้าฉันปรามเขาหรือมา ก, ก็ขึ้นไปหาพักพวกไปหาท่านที่บนบนภูเขาเนี่ยฉันกลัวว่าท่านจะตําหนิฉันจะพูดว่าไงทิ้งพวกมาทําไมข้อที่สองทำไมไม่รอฉันคุณไปปรามเขาทําไมฉันกลัวตรงนี้อะะ่าแสดงว่าอาการปรามเนี่ยก็ต้องมองหน้ามองหลังเหมือนกันนะ อ้าทหารข่าเลยโอ้โหหนักนะานี่กคุณอานนาบีฮารูนยังไม่ยอมทำนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการปราบเนี่ยจัาแรงเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมนี่คือคนเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องนึกเยอะเป็นรัฐบาลเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองคนเนี่ยต้องตัดสินใจอะไรเยอะต้องขออนุอาต่อัลลอ์เยอะนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ่านั้นอัลล์ไม่เล่นะนนะคุอานนะกาลายะบนาอุมา ฮารูนกล่าวว่าลูกของแม่ของฉันเอ๋ยลาตะคุบิเลหิติจงอย่าขยุ่มเขราของฉันวาลาบิรซีและผมที่ศรีรษะของฉันเขาจะว่านาบีก็มีผมคงไม่จะโกนหัวสกนหัวคงขยุ่มผมไม่ได้แสดงว่าการโกนเนี่ยนบีให้รูปแบบไว้นะผมของคนเอาไว้แต่สองทรงทรงที่หนึ่งทรงมีผม ทรงที่สองทรงโกนโกนตัวไหนนะ่ยตัวประธานอุ้มล่องนะ่ะธรรมยินโกนหมดเลยเคยโกน่าพวกเราต้องโกนนบีอวัยทรงผมอยู่สองสองทรงนะหนึ่งผมยาวสองโกนบางคนไม่กล้าโกนกลัวความรอจะหมดไปอัลรอไม่ใช่รอที่ที่ทรงผมมันรอที่อัคราชมารยาทที่ดีงามตัว น, นั้นเองนะ อ n นีค h ชีตูอันตระกู n แท้จริงฉันกลัวว่าท่านจะกล่าวว่ากล่าวแก่ฉันว่าไงนะ f a ร์กต a ใบนาบา น, บนีอิสโล อ, อีท่านได้ก่อความแตกแยกขึ้นในวงวานอิสโล อ, อีแลใช้ไหม f a ร์กต a ท่านเนี่ยสร้างความแตกแยกแล้ววันนี้พวกคณะหมายพวกสุนน่าที่สอนสุนน่าเนี่ยถูกกล่าวหาคดีนี้แหละ ฟรอกแต่ใบนะท่านเนี่ยสร้างความแตกแยกให้กับกลุ่มใช่หรือไม่ใช่ผมโทรศัพท์รับรั บ, รบโทรศัพท์เวทุกวันและจ้าง ฉ, ฉันเนี่ยไม่กล้าเปิดดูซุนนาน่านกลัวชาวบ้านจะพูดว่าสร้างความแตกแยกบางคนว่าฉันไม่กลัวแต่ก็ด่าไป ต้องบอว่าคดีนะคนที่ลนะนี่ไงฝัดรักแต่ใบนะบันีอิสราเอลนนบีฮารูนกลัวนบีมูซ่าจะพูดว่าถ้าท่านปราบแรงไปท่านก็จะพูดว่าฉันเนี่ยสร้างความแตกแยกกับพวกบันีอิสราเอลนถ้าฉันขึ้นไปหาไปตามท่านบนภูเขาท่านก็จะพูดอีกท่านเนี่ยทิ้งพวกทําไมอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่อยากจะทําอะไรแรงๆทาแบบเบาๆนี่เป็นอัคลาของนบีฮารูนชอบความ ปานีปานอแต่นบีมูซาชอบความเด็ดขาดมาอย่างนี้เป็นตัวตัวลงมองคนเอาสองคนนี่มาอยู่รวมกันซะดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านอบูบักด้วยแล้วก็ท่านไซนาอุ ม, มาร ด, ด้วยมาอยู่ด้วยกันเพราะอัลลอฮ์พอใจนะครับต่อมาครับ วาลัมตารกุบกาลีและท่านไม่คอยฟังคำสั่งของฉัน all h a m d u l i ล l a h เน้องดัง น, นี้ในตับสิ่งอธิบายอย่างนี้นบีฮารูเนี่ยว่าการฮารูฮาอิบันว่ามูติอัลลหูนบีฮารูเป็นคนที่ไม่คือนะไม่กล้าทรยศต่อมูซาจะเชื่อฟังนบีมูซาตลอดไม่เคยทรยศ ฉะนั้นเรามองภาพนาบีฮารูนเป็นคนดีนะนบีมูซาก็เป็นคนดีดีเกินทั้งสองคนนั่นแหละเห็นไหมแต่ต้องการจะเผยแผ่ศาสนาอิสลามนะในอยายะอื่นอธิบายอย่างนี้อธิบายบอกว่าอินนัลก้าวเหนบีฮารูนพูดบอกว่าอินนัลก้ามาอิสตัฟูนี่แท้จริงพวกพ้องของเราเองเนี่ยนะถือว่าฉันนี่นะ อ, อ, นอ่อนแออ่าพักพวกที่ไปบูชารูป ล, ลูกวัวเนี่ย มองนบีฮารูนเป็นคนอ่อนแอวก้าดูยักตูรูนานีนัสุรอื่นอธิบายบอกว่าและเขาเกือบจะฆ่าฉันพอไปห้ามนี่นะความจริงห้ามไหมห้ามญาติพี่น้องเนี่ยเกือบจะฆ่าฉันนะฟลาตัชมุดฟิลอาดาอีมูซาเ อ, อ๋ยจงอย่าทำให้ศัตรตูเนี่ยได้ใจต่อฉันเลยนบีมูซาม า, มาจับเขา มาจับผมแล้วก็ดึงเนี่ยภาพนี้ทำให้พวกศัตรูเนี่ยได้ใจอย่าททำได้ไหมนี่สอนอะไรเราสอนเยอะนะนบีฮารุนกลับมาถูกตำเหน็โดยนบีมูซาแล้วก็พวกซาเมรี่เนี่ยพวกบูชาวัวยืนยืนมองอยู่แล้วก็มูซาก็จับคราจับผมกระชากแล้วท่านท่านพูดว่ารู้เปล่าฉันเนี่ยเกือบจะถูกฆ่า และคํามองฉันเป็นคนอ่อนแอถ้าท่านมาเล่นกับฉันแรงๆแบบนี้พวกนี้ได้ใจหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทะเลาะกันแล้วพวกมันสองคนอย่ังนี้มันต้องนั่นเล่นเบาๆหนอสอนอะไรละสอนของเรื่องเราวันนี้ถ้าจะเป็นผู้นำจะให้ผู้นทะเลาะกันเพรา ะ, ะเลาะกรนสตานมองกูว่าแล้วมันดีไปไหนไม่รอดอาจารย์ต้องระวังอาจานี่เตือนนะเตือนคนที่ทํางานศาสนาวันนี้ต้องระวังอัคลาคให้ดี เอาต่อมาครับเส็จแล้วนบีมูซาขอดูอาต่ออัลลอฮ์รู้ป่าพอนบีฮารูนพูดเตือนนบีมูซาขอดูอาเลยขอไงนะขอแล้รอบบิกฟิลินอาญาอื่นนสุราอื่นนะร อ, อนนะรอบบิกฟิลีวาลีอาคีนบีมูซาขอดูอาต่ออัลลอ์ว่าข้าแต่พระพู้อริบาลของฉันเอ๋ยได้ทรงโปรดอภัยโทษแก่ฉันและพี่ชายของฉัน พอรู้ว่าตัวเองพาดไปแล้วเล่นแรงเกินไปทำไงสารภาพผิดขอดูอาต่อรอเลยอัลลอฮุมะฟิลีวะลีอาคีโอ Allah, อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันด้วยที่แรงไปกระชากผมเ็านะ่ยดึงเขาเนี่ยพอน บ, บีมูซาฮารูตเตือนว่านี่รูเ้เปล่าคนเหล่านี้นะมันได้ใจนะพอนึกปับ๊บอ um ัลลอฮุมะฟิลีวะลีอาคีอลัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วย อภัยโทษให้กับพี่ชายคนขันชื่อฮารูด้วยนะครับแล้วขอต่อไปอีก <ine> ว่าจะขิลนาฟีรอฮมะที่กะหัอันตะอาธามุรอไฮมีนแปลว่าอะไรได้ทรงโปรดให้เราอยู่เข้าไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งเป็นผู้ทรงเมตตามีความเมตตาแก่มนุษย์ทุกคนนี่ขออุทธร์ต่ออัลลอฮ์ถามเพจไม่ไม่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานาอูบัตอัลลาศรภาพเพจ ถูกไหมดีมากเลยนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะอายาที่95ตับห้าศิษ์อธิบายดีนะ<ม>ก็บอกว่า<ม>ลาตะคุสบิลลหียติยาขยุ่มขราวของฉันสแสดงว่านาบีฮารูนและนบีท่านอื่นๆที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมีขราวทุกคนการไว้เขราวเป็นสุนนะของท่านนาบีที่เป็นข้อเตือนนะนะครับเอาต่อมาครับอายาที่9้าห้า ฟามะโคลาฟามะคอบบุกกายซามิริยูลาฟามะขับบุกกายซามิริยเมื่อคุยกับอเถียงกันกับนบีฮารูเสร็จแล้วก็หันมาทางใครนะหันมาทางซามิริใครหันมานบีมูซานี่ผู้นําแสดง ทักเลยหาคนนี้หันมาหาซาเิรีมาพูดว่าไงนะฟามาคตบบูกายาซามิรีซามิรีเอ๋ยมูซาพูดนะเจ้ามีความมุ่งหมายอันใดซามมรีเอ๋ยคือท่านจะว่ายังไงคุณว่ายังไงคุณเนี่ยว่ายังไงหันมาทางซามมรีแล้วคุณทำทำไม เอาเครื่องประดับของพวกฟิรูนมาหลอมทําเป็นลูกวัวน่ะทำทำไหมตอบฉันหนมาหน่อยอลัลลอฮฺว่านี่ไงผู้นำซามีรีพี่น้องคงทราบแล้วใช่ไหมว่าซามิรีเนี่ยเป็นใครเลี้ยงนะยิบรีนเลี้ยงแต่เป็นคนกับเป็นมุนาฟิกนะเป็นกาเฟต ด, ด้วยมุนาฟิกด้วยซามีรีเนี่ย ซามรี่นี่นายคำพีตัศ น, นิลทัศน์ิลอธิบายบอกว่าซามีรี่ัรยุลันมินอาฮลีเป็นชายคนหนึ่งมาจากหมู่บ้านบาเยิร์มาอะไรเป็นชื่อใ น, นสมัยนู้นเนี่ยนะวากานามินเกาเมนยาบูดูนัลบากรอพวกเขานี่นะกลุ่มช น, มนเขาเคยบูชาวัว ม, มาก่อนคงจะม่ตามคนอินเดียหรือเปล่าสงสัยเนี่ย คนอินเดียนี่วูช้าวัวแล้วก็วัวของอินเดียนี่นะถ้าตัวไหนที่เขาปล่อยเนี่ยนะเดินตามตลาดเนี่ยกินผักรานไหนตีไม่ได้แค่ห้ามเดินมาที่ตลาดเนี่ยจะกินอยายาแม่ยาแม่แม่แ่ยากินแมอยากกินที่รักนาวผมอยู่อินเดียที่รักนาว ท่า น, นวัว น, นี่อิสรามเลยเดินไปไหนมาไหนได้จะแวะที่ไหนกินอะไรก็ได้ห้ามตีตีไม่ได้แต่ห้ามไม่ให้กินนะได้แต่ไม่จะห้ามแบบแรงๆนะแล้วก็พวกพวกซาเมรี่นี่นะชื่อเดิมชื่อมูซาเนี่ยชอบกาบวัวและตัวเขาเองก็ชอบกาบลูกลูกวัวแต่มารับอิสลามกับบันีอิสรโอลีนอ่าแต่รับไม่จริง รับแบบเล่นๆเขาเรียกว่ารับแบบมูนาฟิกต่อหน้ามุสลิมอีหมานพอรับหลังก็ด่าเขาอ่าตํามมิเขาแบบนี้เขาเรียกว่าไงรับอิสลามแบบไม่จริงใจนิสัยก็คือนี่แหละซามิลีคนนี้นี่พี่น้องต้องจํานะนี่แหละคนมูนาฟิกอ่ารับอิสลามแบบไม่จริงใจข้างในนี่ปฏิเสธอิสลามแต่ข้างนอกเนี่ย ยิมกัเขาคุกัเขาอิสลามดีอยังงั้นดีอย่างงี้แต่ในใจลึกๆเนี่ยไม่เอาอิสลามนี่ไงซาเมรีคนนี้นะเอาทีนี้น บ, บีมูซาหันมาถามซาเมรีบว่ า, วาขธานกูสามข้อเรื่องกราบรูปเจเวตรูป ล, ลูกวัวซาเมรีเป็นคนคิดขึ้นมาวางแผนทำใหม่น บ, บีมูซาถามข้อที่สองการกราบรูปลูกวัวนั่นเป็นบาปใหญ่มากคุณรู้ไหม แต่ตะเฟียตได้ไปนะข้อที่ 3, สามซาเมรีคุณทำทำไมนะครับรูปแบบนีนะ้นี่ออกมาจากคุณทั้งหมดเลยนี่นะกราบลูกวัวเนี่ยก็คุณทำเอาเครื่องประดับของพวกฟาโรมามาอะไรมาหลอมเป็นลูกวัวก็คุณด้วยแล้วคุณทำทำไมเรื่องอย่างนี้คำตอบก็คืออดีตเคยบูชาวัวมาก่อนก็เลยจำอะไรไม่ได้จำได้อย่างนี้แหละอต่นี้เป็นต้น นะครับทลองว่าคุณเนี่ยนำชีริกนำบาปใหญ่มาสอนให้กับพักพวกของเราให้หลงออกจากฐานของอัลลอฮสุบฮานะหูวาตาแล้วแต่ละนบีมูซานี่ไม่ ย, ยอมนะตำหนิแล้วนะตาหนิฮารูนทำไมไม่จัดการแล้วหันมาต่อว่าใครอกีกต่อว่าซามิรีต่ออีกนะครับต่อมาอายาที่96คําคำตอบของซามิรีเนี่ยดีดีนะดูนะพี่น้องคจําไม่ดีนะ "قال بصرت بما لم يبصروه" "قال بصرت بما لم يب لم يبصروه" "فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها" วَ ن َ ب َ ذ ْ ت ُ ه َ ا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِنَفْسِي َ ا ل َ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ ي َ ب ص ُ ر ُแปลว่าอะไรครับบัศร์ตัว่าฉันมองเห็นนี่ซามีีตอบกับบีมมซา นับเบูโมซาถามว่าคุณทำทำไมไอ้รูปลูกวัวเนี่ยทำทำไมอคุณตอบฉันมาคำตอบก็คือบออนตูฉันเห็นบีมาลัมยับสุรูบิหีในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นรู้ไม่เรื่องอะไรนับเบูโมซาว่าไอ้ดับเไอไ้ไม่ใชบีซาไม่บอกฉันเห็นขณะที่พวกเขามองไม่เห็นตอนที่ท่านขึ้นไป ตอนที่ตอนไหนรู้ไหมตอนข้ามทะเละนึกเคองเก่านิดหนึง่งตอนข้ามทะเลเนี่ยซาเมรี่เห็นเห็นอะไรรู้ไหมเห็นมา้าของท่านยิบรีนอลายลฮิสาลามตอนลงมาเนี่ยิยบรีนขี่ม้ามานะไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งมากั้นระวังนบีมูซากับฟาโร ตอนที่นบีมูซาลงลงลงทะเลเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปฝั่งคนุนใช่ไหมแล้วก็ฟาโร่แล้วก็มาพอดีเนี่ยลงมาที่ทะเลเนี่ยยิบรีนี่เนี่ยกลัวว่าฟาโร่จะวิ่งทันแล้วก็ตามจับนบีมูซาได้ท่านขีม่มา้มามากั้นเอาไว้โอโ้โหเห็นยังอรรถเมตตาขนานไหนอ่ะทำไมซามารีจึงจึ ง, จ, งจึงรู้จักท่านยิบรีน่ พราะิบรีนเอาอาหารมาเลี้ยงอ่ะวันละสองมื้อตอนอยู่ที่ภูเขาอ่ะจําได้ไหมละ่ะนี่ไงยิบรีนมาทุกวันทุกวั น, ก, วนก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ร่างยิบรีนเป็นอย่างนี้ยิบรีนทําอย่างงี้เห็นร่องเห็นรอยยิบรีนจําได้คุ้นเคยกันกระทั้งคนอื่นมองไม่ออกแต่ซามเบมรีนฉลาดเก่งคนยิวนะเอเลาให้นะฉลาดเพราะยิบรีนมาเลี้ยงอ่ะ มาทุกวันทุกวันก็รู้นี่รู้วิธีฉะนั้นฉันเห็นว่ายิบรีนนี่ขี่ม้ามาเพราะขี่ม้ามาแล้วก็อะไรมาห้ามไม่ให้ฟาโรนั่นจับตัวนบีมูซาไดา้มาขืนกันอย่างนี้โอ้โหอัคบัตรฉะนั้นซาบิริรู้ฉันฉันเห็นฉันเห็นยิบรีนอะไรฮิสลามขี่ม้ามาแล้วก็วิ่งผ่านไปฉันเห็นรอยอะไรนะรอยเท้าของมา้า รอยเท้าของมาในท้องทะเลนะฉันก็เลยก้มไปหยิบฟากอบัตตุฉันได้กำฝุนขึ้นมากำหนึ่งกบจิบดินขึ้นมาในท้องทะเลนี่นะเพราะมันร้อยนะรอยมามาของใครมาของท่านยิบริ่อะไรฮิสลามก็เอาดินขึ้นมาก้อนหนึ่งฝุนกํามือหนึ่งกรอบตัตันกอบหนึ่ง มินอาซาริรอซูลจากรอยของรอซูลรอซูลที่ไม่ใช่น บ, บีมุฮัมมัดไม่ใช่นบีมูซา น, น, น, น, นะคือท่านยิบรีนอะเลฮิสซลามเพราะยิบรีนก็ถูกส่งลงมาจากอัลลอฮ์เหมือนกันให้มาทำงานาศาสนานี่แหละแต่ว่าเรียกว่ารอซูลแต่แปลว่าท่านยิบรีนอะเลฮิสซลามท่านขีม้ามาพอขีม้ามาก็ม้ามันก็มาก็มีคนละเยียบดินเนี่ยมันเห็นรอยเขาเลย ไปเอาก้มไปกอบดินขึ้นมากอบหนึ่งแล้วก็มาเก็บไว้เก็บไว้ไม่บอกให้ใครรู้เลยนะมาเก็บไว้จนกระทั่งซาบิรี่เนี่ยสั่งให้พรรคพวกที่เอาทองเข้ามาจากพวกฟาโรเนี่ยให้เอามาเทแล้วเอามาหลอมแล้วก็ซาเมรี่ก็เอาดินก้อนเนี้ที่เป็นรอยเท้ามาของยิบรีนขี่มาเนี่ยเทลงไปไหน หลอมพร้อมกับทองด้วยแล้วกัมชาลานะอะไรก็ตามที่มาจากอัลลอฮ์อดีหมดอนะ่ะมันให้ชีวิตชีวาได้แค่นั้นตบตชายชีวิตจะทางที่ผิดนะ่นะจะว่าหน้ะก็ก็ขออุราให้ฮารูนขอให้ไามอีก็ขอด้วยโอ้อัลลอฮ์โปรดให้วัวเนี่ยร้องได้ด้วยก็ด้วยไร น, นะด้วยเอาดินที่รอยเท้าของมัละของม้าที่ยึดบรลนขี่เนี่ยเอาไอา ว่างลงไปนะได้นะในในใ น, ในทองที่กําลังหลอมอยู่เนี่ยแล้วขอพระอัะอลลอฮ์ขอให้วัว น, นี่มารอมได้มันรอ้นรอนได้จริงๆร้องนองบอพอร้องบอนี่ประชาชนกราบเป็นแถวหมดเลยแต่นั้นซาเมียดีอัลลอฮ์ละโกรธเป็นกาเฟตแทนที่จะเชิญชวนคนสู่อัลลอฮ์กลับเพลินเชิญชวนคนสู่ตามชิริกต่ออัลลอฮ์สุฮาหานาอูบตาแล้วคนนี้ผู้เยฮูดีก้ก็เหมือนกันอํานาจเยอะ แต่พาคนหลงอ้าวอะไรอ่ะหญิงยูนิเวอร์สอะไรน่ะผู้หญิงนางอะไรนะนางอะไรนะนางจากหัวนางจากกวาลใครทําแก่พ้าหมดเลยอ่ะทุกคนยืนมองอ๋อฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรยาฮูดีทําทั้งหมดนี่น่าคิดนะนน เ, เนี่ยนีซาเมรีนี่ก็ไม่เบานะอัลลอฮฺอักบัร มันเอารอยดินรอยตีนของไก่รอยเท้าของม้าที่ยิบุรีนคีน่าจะเอาไปทำของดีๆกลับไปสร้างววรกรรมทำชั่วให้คนบูชาเห็นยังเดี๋ยวต่อไปจะมีประวัติของซายิริที่เลวกว่านี้อีกเอาไปนอนเอาแค่นี้ก่อนนะกอลาบสตรตูบิมาลำยูบซิรูฉันมองเห็นเห็นอะไรนะเห็น มาลาอิกาญิบรีนขีมาลงมามาห้ามไม่ให้ฟาโรวิ่งจับนบีมูซาท่านแล้วก็ไอรอยเท้าของใครนะของม้าที่ขี่ฉันก้มลงไปเก็บดินมาอะไรนาะมากรอบหนึ่งก็ ก, ก็ฟากอบบัดตุูฉันได้กมปุล น, นะครับกรอบหนึ่งมินอาซาเรรอซูลจากรอยของรอซูลหมายถึงรอยเท้าของท่านยิบของม้าที่ญิบรีนขี่ ฟานาบาสตุฮาฉันได้โยนมันหรือฉันเทลงไปในในไปในกำลังหลอมเป็นรูปลหะวั า, าเอาดินก้อนนี้แหละโยนลงไปด้วยเป็นอย่างฉลาดไหมฉลาดนี่อลเล่าเล่าทั้งหมดรายละเอียดยิบกนาดนี้เนี่ยเพื่ออะไรให้เราใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาอะไรบ้างท่านเราเนี่ยอย่ามีส่วนผสมในการทำให้คนหลงนะั อย่าให้มีส่วนผสมอย่าให้มีส่วนร่วมในการทําให้คนหลงถึงสุโขมันกันนะกว่าจะเลือกสุวขมาด้า น, นานน่าดูเลยนะกว่าจะสอนตะวันเดว่าอะไรกันแน่เนี่ยวันที่สิบ ม, มคมทําขนมหรือบวชอลาลอเอาสุนทรนาบีมาสอนถูกตาหน้าว่าฝัดรอกจะท่านเนี่ยสร้างความแตแกแยกให้กับหมู่คณะใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่คุณอ่านคล้ายกันนะครับ ฟานบาสตฮาวกาดาลีก า, าวัลัตลีนับซีนี่มันตอบไงนะและเช่นนั้นแหละวกาดาลีเช่นนั้นแหละสวัลัตนลีนับซีสวัลัตสลีนัซีจิตใจของฉันได้ทำให้เห็นดีงามแก่ฉันเห็นไหมฉันเห็นว่านี่แหละ เอาทองคํามาเทเทเทกันแล้วชั้นนี่นะมีส่วนร่วมก็คือเอารอยเท้าของม้าที่ยิบรินคีนี่แหละนี่แหละชั้นมองว่าเป็นเรื่องดีงามเห็นยังนี่คิดผิดเนี่ยถ้าคิดตามนาบีปัญหานี้ไม่เกิดนี่คิดเองทําเองเห็นยังครับเรื่องศาสนานี่คิดเองไม่ได้ถ้าคิดเองแล้วก็เป็นบินอาเป็นดอาลาลาหมดเลยจะนั้น ซาเมรีนี่เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำบินอัคขึ้นในาศาสนาเต็มไปหมดแ้่เราทำตามได้ั้มไม่ได้นะครับอัลลอฮรในตัศิีอธิบายบาว่าม้าของท่านยิบรีนวิ่งผ่านมาแล้วก็ซามิรีนี่เห็นเลยเอาดินที่เป็นรอยเท้าของมา้าฉันได้หยิบเอาดินจากรอยเท้าของม้าที่ยิบรีนขี่มาเก็บไว้ก้อนหนึ่ง ไอ้รอไอ้อออตูิบรีลให้น่ะเจ้าลิฮัลลาทิฟโรนฉันเห็นยิบรีลเนี่ยขีย่ม้ามาเพื่อจะมาทําลายฟาโร่ฟักอบัตตุกอบตัตันมินอสเรรอซูนฉันก็เลยเอาดินรอยแล้วนะรอยเท้าของยิบรีลเนี่ยเก็บเอาไว้นิดเดียวก้อนหนึ่งเท่านั้นเองอย่างความจริงถ้าเก็บมาไว้ในทางที่ดีมันก็ดีอย่างนั้นแหละจะเอามาสร้างในทางผิดผิดผเยอะ ม, มาก ท่านศาสนาคิดเองไม่ได้นะครับเดลลาเนี่ยถ้าไม่อ่านคุรานเรารู้ไหมไม่รู้เลยเพะอ่านคุรานพงรู้เลยอ๋อยิบรีเนี่อัลลอ์ส่งมาช่วยนบีมูซาอะลัยฮิสลามอย่างยังมกันไม่ให้ฟาโรวิ่งจับนบีองโว่าอมานเพิ่มนะพมอ่านคุรานวนนี้นะทอิมานเพิ่ ม, นนนนนะมขึ้นเรดยลลอา้องก่อนจะจบผมฝากขัดิษฐ์ดิษหนึ่งขัดิษเป็นอย่างนี้ ท่านไซด์เบนซาบิตได้รายงานบอกว่าฉันได้ยินท่านนาบีพูดบอกว่าเรื่องเนียดนะผู้ใดยึดเอาเอาเอาดุลยาเป็นเป้าหมายของชีวิตใครที่ยึดเอาโลกดุมยาตัวแทนของดุลยามีเงินสองชื่อเสียงสามตำแหน่งสี่เกียรติยศ ตำแหน่งที่แย่งกันก็สอเนอชอสอปชออะไรพวกนี้ก็เป็นแหวงกันอยู่นะมุสลิมมันมีเข้าไปหลายคนเอาละใครที่ยึดทํางานนะทำงานอยู่บนดุนยายนะเนี้อ ด, ดุลยาดุนยาดุนยาดุลยาดุนยารู้ไหมเป็นยังไงครับอัลลอฮ์จะทําอัลลอฮ์จะแย่งเอาความสุขออกไปจากหัวใจของเขาอัลลอฮ์จะแย่งเอาความสุขออกแล้วเอาอะไรมาแทน เอาความจนมาแทนผมอ่านรับกลวงท <laughs> ีนี้วมังกาณติลอาคิระตุนิยาตาหูใครที่ทำงานบนดุลยานี้เนียดเพื่ออาสิโรเนียดอาสิโรฉันได้เงินมาเพื่อดูแลคนจากคนจนเด็กก้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเอง เพื่อห้ตัวเองได้มีโอกาสได้ทำอิบัต์เนดเงิดอย่างนี้เลยใครที่ทำงานอยู่บนดุยางานดุนยานี่แหละงานหาสตตังนี่แหละแต่เนียดหมายเนียดเพื่ออาคิราจมามัลลอหูอัมรววาาาหูวะจักรอัลกินาฮูฟีกอลบิฮีอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเขาสงบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลจะทำให้หัวใจของเขานั่นสงบแล้วก็มีความสุขเอาปะ แค่เนียดอย่างเดียวนะเนียดให้มันเป็นเนียดดุนยาเนี่ยอลัลลอฮจะถอนเอาความสุขออกเอาความกลัวมาแทนถ้าเนียดทำงานเพื่ออัลลรฮฺอย่างเดียวนะฉันทำเพื่ออลัลลอนะงานนี้ทั้งทที่งานเน่งานงานดุนยานะ่ะเอาฉันแก้รถฉันนี้ให้กย็ย่อฉันให้กับพ่อฉันเนียดอย่างเดียวให้พ่อขับรถไปนะมาที่มัสยิดให้พ่อ ขับรถมาเรียนตับซีที่มัสยิดลงทุนแก่รถต้องสามวันยกตัวอย่างนี้นะเงินก็นไม่ได้ทําให้พ่อเนี่ยดได้ให้พ่อมามัสยิดให้พ่อมาฟังตับซีอัลลอฮฺจะเอาความสุขนั้นใส่ลงไปในหัวใจของคนคนนั้นอัลลออักบัรแล้วแล้วก็ดุญยาล่ะดุญยาจะคลานมาหาพวกท่านเองคลานมาดีป่ะเอาทุนยิบฉันหน่อยสิให้ตาแหน่ง สนชอนยิบน้อยยิบหน่อ ย, ย, อยไม่อยากจะเอาเนเอาเทนะ่าน้าเรื่องเหนียดนเะป็นน้องนะเอาเนียดนะท่านใครเนียดเพื่อโลกดุนยาอย่างเดียวไม่เนียดเพื่ออารคิร์ร์อัลลอฮฺจะแย่งเอาความสงบสุขความสุขออกจากใจไม่เจอเรื่องกลัวกลัวกลวกลั ว, ล ว, ลวไม่กล้าตัดสินใจสักอย่างนึงแต่ถ้าเนียดเพื่ออาร์คิร์ร์อัลลอฮฺจะให้ความสุขโอโลหะอัลลอฮให้ความสงบมาโทษแทน แล้วก no welche, aan, know, an, 88, tá, ็ดูนยาก็จะคลานมาหาท่านแบบง่ายๆมาตรงหน่อยเลยไม่ได้แสวงหาจากคนท่านเอาไม่ซิท่านเอาไปจนท่านหมดกินได้ตาแหน่งอันนี้อันแล้วครับก่อนจะจบขอฝากขัดิษไว้นะเป็นข้ออิหมามอะไรตลีัตตาีบนะครับอัลฮัมดุลิลลอฮฺ سبحان ุลลอฮฺมัลลิฮัมดิกะอัชาลิุอุลลอิลลัลอิลลัลลอฮฺอัสซัลลัมุลลัควาอะตูบิลัยละวัสซลลัมอัลเลาะห์มุลลาะหมะตุลลอฮิวบาระกา